ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสาเลยยากระสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันแก่ชาวบ้านสาเลยยากระขามว่าเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถเลือกสถานที่เกิดด้วยตนเองได้ที่จริงปัญหาเหล่านี้ได้นำมาพูดในหลายพระสูตรแล้ว แต่ก็พูดในแง่มุมต่างๆ ต, ต, ตามที่ส่งแสดงไปที่ต้องมาเน้นในเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างหน่งท่านที่สนใจในเรื่องศาสนาจะสังเกตได้ว่าเวลาหลายสิบปีมานี้ได้มีความคิดความอ่านซึ่งเป็นอิทธิพลจากการศึกษาตำหรับตาราบบต่างประเทศ พระธมทำให้ชาวไทยเราส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากคือส่วนหนึ่งตั้งป้อมปฏิเสธเรื่องกรรมกับเรื่องของสังสารวัฏคือเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเพิ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวในพระไตรปิฎกนั้นปรากฏทุกขนทุกแข่งของพระไตรปิฎกเพราะเมื่อเราแบ่งธรรมะเป็นชั้นโลกิยะกับโลกุตระแล้ว เรามามองดูถึงหลักของอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ซึ่งเป็นหลักใหญ่ก็เป็นโลกิยะเจสามข้อเป็นโลกุตระอยู่ข้อเดียวแต่นั้นเองไอตัวโลกุตระนั้นจึงมีเฉพาะมรสี 4, ผล4ีนิพพานหนึ่งคือมี9ข้อแต่นอกนั้นจะเป็นโลกุตระโลกิยะทั้งหมดเลยประธรรมแปดหมพันประธรรมขันนั้นเป็นโลกิโลกุตระอยู่เพียง8ข้อแต่นั้นเอง มรักสผลสีนิพพานหนึ่งแล้วในแง่ของมรักสผลสีนิพพานหนึ่งมรักสมผลสามตอนต้นถึงเป็นโลกิยาถึงเป็นโลกุตระท่านก็ยังต้องอาศัยโลกิยะอยู่ระยะหนึ่งคือประสุบัตโะสุดาบันก็ต้องเกิดอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งชาติถึงเจชาติพระสกิตาคามีก็ต้องเกิดอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งชาติ ปนาคามีก็ต้องเกิดอีกหนึ่งชาติพรกนที่เป็นโลกุตระคือพ้นโลกไปจริงๆก็มีเพียงพระอาหารหันต์เท่านั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราปฏิเสธในเรื่องกรรมกับเรื่องทั้งสารวัตกระบวนการการปฏิบัติธรรมะก็จบสิน้นคือถ้าเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวนิพพานก็ไม่รู้จะมีไปทำอะไร สวรรค์ก็ไม่รู้จะมีไปทําอะไรการปฏิบัติธรมธรมะกรรมฐานไม่ปัตสนากรรมฐานก็ไม่รู้จะทําทําไมเอาเพียงแต่เจริญเมตตารักษาศีลห้ามันก็พอแล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรนี่คือความสับสนที่ก่อให้เกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมแล้วก็ยุดเยือกันมาในปัจจุบันจนบางครั้งบางคราวยังมีความคิดรุนแรงออกไปว่าประเทศนั้นเอานรกมาขู่ เอาสวรรค์มาล่ออานารกมาขู่คือคล้ายๆกับพระเป็นนักล่าเหยื่อคือต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองและที่รุนแรงขึ้นไปกว่านั้นก็คือมองไปในแง่ที่ว่าชีวิตนั้นมีชาติเดียวคือเกิดเกิดหนุนเดียวตายหนนเดียวแนวความคิดนี้ก็มีอยู่มากและแม้จาพูดเราเป็นจำนวนไม่น้อยก็ไม่ก็จะมั่นใจ เวลาเขียนคำขวัญอะไรแสดงความอาลัยถึงญาติพี่น้องที่ตายไปก็มีประโยคที่แสดงวิจิกิจชาอยู่ว่าถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงาตายไปก็ขอให้เป็นญาติพี่น้องกันอีกเป็นต้นมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อหรือความไม่แน่ใจในเรื่องสังสารวัตรปัญหาเหล่านี้ตัวการใหญ่นั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดเห็นแบบวัตถุนิยมจัด คือจะพูดกันในแง่วัตถุมากและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือพยายามจะเอาตาพิสูจน์กลิ่นเอาตาพิสูจน์กลิ่นซึ่งในที่นี้หมายความว่าคือตัวเองเรียนวิชามาอย่างหนึ่งก็มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นแต่คิดว่าเมื่อฉันรู้แล้วฉันต้องรู้หมดทุกอย่างคนที่รู้หมดทุกอย่างนั้นคือท่านที่เป็นสัพพัญยูแต่นั่นเองรู้ทุกอย่างเพราะไม่มีใครรู้อะไรทุกอย่างเมื่อต้องการจะเอาตาพิสูจน์กลิ่น เมื่อไม่สามารถรู้กลิ่นด้วยตาได้ก็ปฏิเสธกลิ่นไปเลยเป็นเรื่องของการหลงทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็ขึ้นไปสู่ในหมู่นักวิชาการแต่นักวิชาการนั้นเป็นคนที่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะถ้าท่านความคิดเห็นท่านเป็นสมาทิฏฐิได้สร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกได้มหาศาลแต่ท่านนักวิทยาการเป็นพิษแล้วมันก่อให้เกิดโรคระบาดขึ้นในสังคม นี่เป็นปนัญหาที่น่าขวญัญใจเมื่อคราวหนึ่งได้ไปไประชุมกันและมีคนก็เสนอว่าคือฝ่านักวิจารณ์กลุ่มหนึ่งนั้นท่านมีความเห็นว่าควรจะสอนเรื่องกรรมกับสังสารวัตรให้เด็กเข้าใจในตอนต้นยอมรับกฎของสังสารวัตรตั้งแต่ในตอนต้นติดฝ่ายหนึ่งก็คัดค้านกล่าวว่าประชุมกันตั้งสองสาครั้งก็ไม่ลงตัว ต่อมาอ ต, ตมาก็ได้เข้าไปร่วมประชุมของเขาด้วยเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะมีความคิดเห็นอยู่สองแนวคือแนวอาจารย์ในปัจจุบันนั้นถือว่าสังสารวัติคือการเวียนว่ายตายเกิดนั้นแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของขณะความคิดแต่นั้นเด็กไม่ได้มีชาติหน้าแต่ที่ไหนก็แสดงว่ามีแนวใหม่กับแนวเก่าอัตมาว่าแนวใหม่นั้นของใครแนวเก่าของใครก็ก็บอกอาจารย์เขา อกว่าแนวเก่านั้นคือแนวพระพุทธเจ้าอาตมาก็บอกว่าถ้า ง, งั้นมันต้องตั้งต้นใหม่ว่าในศาสนานี้ใครเป็นศาสดาถ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานั้นคนอื่นว่าอย่างไงไม่สําคัญต้องดูว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงแล้วท่านก็มีข้อแม้ขึ้นมาว่าข้อความเรื่องนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกอาตมาบอกได้ว่าบอกว่าคําพูดอย่างนี้ตอบได้อย่างเดียวคือไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่ต้องไปพูดอะไรมาก แล้วก็อ้างไปในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราจะตอบปัญหาเรื่องคนเพิ่มขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาจิบจอยมากเลยนะเรื่องคนเพิ่มขึ้นเนี่ยคนเพิ่มขึ้นมันมีอยู่หลายด้านพระพุทธเจ้าทรงสแสดงสังสารวัฏว่ามันเหมือนกับเราโยนท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็ปลายลงบางคราวก็คนลงบางคราวก็เอาตรงกลางลง สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อตายแล้วจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้จากเทวดามาเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาจากสิสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์เป็นต้นคือเราไม่ได้มีโลกเพียงโลกเดียวโลกเป็นแสนโกดจักรวาลเป็นอนันต์จักรวาลมีโลกอยู่มากมายกายกองในโลกนี้ทึ้งในในแง่ของดวงดาวคือโอกาสสโลกนั้นเราก็เห็นกันอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อนักปิยศาสตร์พิสูจน์ดาวต้งสามดวงบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตในที่อื่นจะไม่มีชีวิตคือสภาพชีวิตไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนอย่างเราเราเสมอไปอาจจะมีความประณิ่มีกายที่ละเอียดซึ่งไม่เห็นด้วยตาก็ได้ซึ่งกัยชีวิตแบบชนิดที่ไม่เห็นด้วยตามันก็มีอยู่มากมายในโลกคือเราเป็นการมองสิ่งทั้งหลายโดยละเลยข้อเท็จจริง แล้วก็เท็จริงที่สําคัญนั้นคือหลักความจริงที่สําคัญไม่ใช่ข้อเท็จหรือข้อจริงที่สําคัญก็จริงที่สําคัญชาวพุทธจะต้องจับหลักการสัจสรูของพระพุทธเจ้าให้ได้ที่เป็นฐานใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้านั้นสัจสรู้สัสรูอะไรสัจสรู้ก่อนจะบรรลุอาสวัคยานนั้นพระองค์ศัสรู้สิ่งที่เป็นโลกียะสองชุดใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กัน ก็คืออะไรก็คือเรื่องสังสารวัตด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณปุเพนิวาสานุสติญาณนั้นเมื่อทรงอธิบายไม่ว่าในพระสูตรใดก็ตามใช้คำเหมือนกันก้อ น, นี้ท่านทั้งหลายได้โปรดมองพระพุทธศาสนาเห็นสองด้านนะฮะการสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็เรียกว่าปริยายคือนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งนจะพูดตัวอย่างความเสื่อมคือพูดกับใคร ใครมีปัญหาในเรื่องอะไรจะทรงแสดงเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นไม่ต้องอื่นไกลท่านมองดูอบายามุกที่เรียนกันทั่วๆไปเนี่ยจะพราบว่าบางแห่งมีสี่บางแห่งมี6บางแห่งมีเจดบางแห่งมีห้าทำไมเพราะคนฟังนั้นมีปัญหาในเรื่องอะไรก็จะก็จะทรงแสดงเฉพาะเรื่องนั้นแต่สรุปแล้วคือทั้งหมดนั้นเป็นทางเสื่อมทั้งหมดนี่คือประเด็นที่ให้จับไว้หรือประเด็นหนึ่งก็เรียกว่านิปริยาย อันนี้ลงตัวทุกทีเลยเจนต้าขึ้นอริยมรรคมีองค์8จะขึ้นคําว่าอาริโยอัดถังกิโกมาโศเสยยถีดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาสัมมากัญโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกทีเลยเป็นรอยครั้งพันครั้งพูดอย่างนี้ทุกทีเลยนี่คือนิปริยายไม่มีการวิปริตเปลี่ยนแปลงเลยอิดังเดือกขั้งอเียสจังยาติปีดุกข้าเจราปีดุขามระนาปีดุขั้งอย่างนี้ทุกทีเลย นี่คือนิปริยายลงตัวทุกขีเพราะอะไรเพราะพวกนี้แสดงถึงจุดสุดยอดแล้วจะต้องแสดงในแนวเดียวเท่านั้นเช่นสมมติว่าแสดงสภาวะของฌานฌานนั่นเป็นผลร่วมคือหมายความว่าใครจะเจริญกรรมาฐานข้อใดก็ตามพอถึงปฐมฌานก็คือปฐมฌานเลย ไม่มีปฐมฌานของกสิณไม่มีปฐมฌานของพุทธานุสติไม่มีปฐมฌานของวัดปากน้ําของอะไรของอาจารย์มั่นอาจารย์ฟานอาจารย์อะไรมีมีปฐมฌานที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุก่อนคนอื่นเท่านั้นเองเพ ร, ะ ร, ะระาะนั้นปฐมฌานเป็นสภาวะจิตเหมือนกันหมดเลยแล้วจะขึ้นนิวเวเวกชันปีตีสุขขัง้งปัตมงชานังกว่าไปเรื่อยครับปราศจากวิตกวิจาร์มีปีตีสุขเอกคาตาเหมือนกันทุกขี ดังนั้นท่านทั้งหลายเลยลองสังเกตว่าเวลาฟังธรรมนั้นพอถึงพวกนิปริยายแล้วคล้ายๆพระเทศซ้ําคือพระพุทธเจ้าเองก็เทศซ้ำนะฮะศาสตาเทศซ้ำลูกศิษย์ก็ต้องเทศซ้ําธรรมดาเพราะเราถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าลงตัวทุกชีเลยนะทุกคนทุกแ ข, กขงพูดอินรีห้าอินรีย์าอย่างนี้ทุกชีในปัญจกะนิบาตอังคุตรนิกายทรงเริ่มที่อินทรีย์าเข้าไปครึ่งพระไตรปิฎกครึ่งเล่มหนังสืออะไรพูดอย่างนี้ทุกทีฮะ สตาวิรย่าสติสมาธิปัญญาทุกชีเลยไม่มีอินทรีย์ที่6ขึ้นในชุดนั้นแต่ชุดอินทรีย์หก็คือชุดอินทรีย์หอย่างนั้นนี่คือวิธีแสดงของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นจากการมองวัตรไรบิดกคือเราจะต้องมองให้ตลอดไปเลยว่าทรงแสดงว่ายังไงและฐานใหญ่จึงอยู่ที่ประญานันกลาวแล้วแล้วจากพระญา น, นี้เองที่จริงนั้นอาตมายังนึกไม่ออกจนทุกวันเนี่ย ว่าคนเหล่านี้เอามาจากไหนที่ว่าไม่มีในพระไตรปิฎกนอกจากไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนั้นเราก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าเคยอ่านพระไตรปิฎกพอจับเล่มแรกมันก็เจอแล้วนะจับพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรเล่มที่ที่เก้านะครก็จะเจอครับเจอพระไตรปิฎกแล้วก็ละไปเรื่อยเลยตั้งแต่ที่เก้าจนถึงโน้นนี่สิบ้าเนี่ยมีไม่ใช่สูตรเดียวนะมีเป็นร้อยรอยเป็นพันพสูตร แต่ว่าคนเหล่านี้กลับบอกว่าไม่มีในพรไตรบิดกเป็นเรื่องที่มหาสจจารมากคือนอกจากตัวเองไม่อ่านพระไตรบิดกเท่านั้นนะฮะจึงจะจึงจะพอพูดได้แต่อาการไม่อ่านแล้วไปปฏิเสธนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอานะอีกประการหนึ่งในความคิดในปัจจุบันนั้นก็คือปฏิเสธว่าไม่ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์วันก่อนนี้มีดรท่านหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นดรทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเลยท่านบอกอ้างวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักในเรื่องนี้ ไม่เคยศึกษาไม่เคยค้นคว้าวิทยาศาสตร์มันศึกษาเรื่องอื่นไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมเรื่องสังสารนะวัดไอสิ่งที่อ้างนั้นมันต้องมีนะแล้วสมมุติวิทยาศาสตร์มีเราต้องเอามาดูนักวิทยาศาสตร์คือใครพระพุทธเจ้าคือใครนักวิทยาศาสตร์นั้นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเฉลยเวลาเนี้ยเราเอาชาญดาวินเข้ามา คัดค้านหลักพระพุทธเจ้าโอซิกมันฟลอยเข้ามาคัดค้านพระพุทธเจ้าโอทิตย์ดีทางพันธุกรรมเข้ามาคัดค้านหลักกรรมสกตายานของพระพุทธเจ้าตกลงว่าไม่รู้ใครเก่งกว่ากว่าใครกันนี่คือความสับสนในด้านความคิดดังนั้นในพระสูตรนี้จึงเป็นหลักพระสูตรเช่นเดียวกับที่ในสังขารูปปฏิสุจธ์ซึ่งเคยพูดไปในวันก่อนที่พระเจ้าใช้ธรรมะคนละแนวกันในสังขารูปปฏิสูจน์นั้นใช้ธรรมะหข้อ คือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็สุตะคือมีการศึกษาสดับสับฟังมากปัญจคะมีความเสียสละและปัญญามีความรอบรู้ธรรมะห้าข้อนะครใช้ธรรมะห้าข้อว่าสามารถที่จะเลือกเกิดได้ในที่นี้ใช้ธรรมะสิบข้อมีใจความโดยสรุปว่าข่าวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไป ไปถึงบ้านสาเลยยากขามพวกชาวบ้านทั้งหลายนั้นได้รู้เกียรติคุณของพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือเกียรติคุณของพระพุทธเจ้านั้นจะแผ่ไปในแนวที่เราสวดกันในอิติปิโสนะฮะอิติปิโสปะกวาหลังสมาสมุทุจะแผ่ไปอย่างนี้ตลอดแต่จะมีการบรรยายประวัติในตอนต้น ประสมณโคโดมโอรสของสักยราชออกบวชจากสักยสกุลได้จัดสรู้เป็นพระหันสมมาสัมพุทธเจ้าสมาสมาสมุทธเจ้าแล้วจะเข้าในิย่าของพุทธคุณแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันจัดสรีจัดสรู้ชอบด้วยปรุงเองสมสมสมสมบูรณ์โดวยวิชาและจรณะเสด็จไป ด, ไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีผู้ฝึกย่าบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นาศาสตราของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกทำจะแพร่กระจายไปโดยไ n ยะของพุทธคุณพะะนันสูตรพุทธคุณนั้นท่านทั้งหลายไปพบที่ไหนแล้วว่าอย่างนี้ทุกทีนั้นคือ น, นิปริยายตรงตัวทุกทีเลยมีในพันสูตรทุกแข่งจะว่าอย่างนี้พวกพราหมณ์ชาวบ้านทั้งหลายก็เข้ามาเฝ้า ข้ามาข้ามมันก็แนวของพราวนะคือว่าเขายังไม่ได้นับถืออะไรพระพุทธเจ้าเพียงแต่ได้รู้ข่าวครา ว, าวเกียรติคุณความดีเท่านั้นมาเพื่อพิสูจน์มันเรื่องของยุคสมัยคือคนสมัยนั้นท่านทั้งหลายได้ปรดเข้าใจ เ, าเป็นยุคสมัยที่สนใจธรรมะการครองชีวิตทุกระดับของคนในสมัยนั้นมันถึงจุดสุดยอดแล้วถึงจุดสุดยอดขนาดว่าบ้านเมืองไม่ต้องรบกันแล้วมานั่งถกปัญหาธรรมะกันเท่านั้นเอง แล้วใครชนะก็ชนะใครแพ้ก็แพ้ไปเลยโดยทหารก็นั่งฟังไม่ต้องใช้อาวุธกันแล้วมันไปขนาดนั้นนะเป็นยุคของโลกที่ขึ้นสู่จุดสูงในทางในทุกด้านโดยทั้งไปออทีนี้เมื่อมาถึงมันก็ดูพื้นฐานคนเหล่านั้นก็บางคนก็ยอมรับมากก็มาถึงก็ถวายบังคมเลยบางคนก็ยืนนิ่งๆบางคนก็ประกาศชื่อโคดของตนอันนี้คือเบ่งมากนะครับ พวกเบงมากนี่ประกาศชื่อโคดสกุลของตนเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าใหญ่นะเนี่ยเป็นคนสกุลนั้นสกุลนี้นี่คือลักษณะเบง่งๆบ่งของแขกแล้วก็บางพวกก็เฉยๆเสร็จแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จออกมาทุกคนก็จุดอาการเหล่านั้นก็ให้ความขรุรและในที่สุดก็กราบทูลนะ การกราบถุนนี่กราบถุ น, นแสดงเห็นถึงพื้นถึงพื้นของคนที่มีความรู้เรื่องของกรรมเรื่องสังสารวัตสูงมากเขาไม่ถามเรื่องมีไอ้นรกสวรรค์มีหรือไม่อย่างชาวพุทธเราเดนี่ไปที่ไหนก็ถามโดยเฉพาะพวกครูนั่นถามเก่งด้วยกนะันทุกแข่งเลยถามเลยถามทำไมไม่รู้เวลาเขาถามเขาถามว่าคนเรานั้นปฏิบัติตนอย่างไรจึงบางเกิดในทุกขติวิธิบาตนารกอสุรกาย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสองด้านน ะ, ะด้านหนึ่งก็คือเหตุที่ให้เกิดในทุกขติวินิบาตนารกอสุรกายเพราะคนเหล่านั้นประพฤติไม่เรียบร้อยไม่ประพฤติสุจริตคืออธรรมจริยาอสมะจริยานี่ที่เราเอามาใช้เป็นหนังสือธรรมจริยาสมัยก่อนนะ อธาธรรมจริยาอาสมะจริยาคือไม่ประพฤติเรียบร้อยไม่ประพฤติให้สุจริตคาว่าไม่ประพฤติให้เรียบร้อยไม่ประพฤติสุจริตนั้นคืออย่างไรคือเป็นคนที่ใจคอโหดร้ายมีมือเปื้อนเลือดถือแต่สัตว์ธายินดีในการฆ่าการเบียดเบียนประทุษร้ายสัตว์สรุปคืออะไรสรุปแล้วก็คืออาคุศลกรรมมาบทสิประการนั่นเองเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ที่อยู่ในป่าก็ดีใน บ้านก็ดีในเมืองก็ดีแล้วก็มีจิตมีพฤติกรรมละเมิดในสตรีอื่นที่มารดารักษาบิดารักษาพี่น้องรักษาอะไรจำแนกผู้หญิงเข้าไป20ประเภทด้วยกันแล้วก็พูดจาในเรื่องที่ไม่มีความจริงกล่าวบิดเบือนข้อความเป็นพยานในคดีโกงต่างๆ พูดจาถ้อยคําที่นําความข้างนี้มาบอกข้างโน้นนําความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนสองคนสองฝ่ายสองพวกมีวาจาหยาบคายร้ายกาจไม่สบายหูไม่สบายใจของคนอื่นพูดจาเรื่องที่ไร้สาระไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้เป็นที่ชอบใจทังคนทั้งหลาย มีความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นว่าทำอย่างไรนาะสมบัติเหล่านี้ของคนนั้นจะได้เป็นของเรารถคนนั้นจะได้เป็นของเราเป็นฉนแล้วก็มีจิตคิดมุ่งร้ายต้องการจะให้คนนั้นพินาศคนนั้นประสบความพิบัติคนนั้นล้มตายคนนั้นขาดสูญมีความเห็นที่เป็นมิจฉาทิจิสิบประการ ชิจาทิฏฐินั้นก็คือความเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการวงสรวงไม่มีผลแม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีสมณพรามผู้รู้แจ้งเห็นจริงทำโลกนี้และโลกอื่นให้ปรากฏไม่มีสัตว์ผู้รอเกิดไม่มีคนเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุทุกขคติวินิบาตนรกอสุรกายนี่แน่นอนเลย ยืนยันถึงผลว่าจะต้องไปเกิดในทุกขติวิิบาตนะิในโลกสุรกกยและจากการยืนยันในแนวนี้จะยืนยันหมดทุกแข่งอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระวาจาวิปริตใดพระวาจาของพระองค์ตั้งแต่ประชนมายุสาสบจนถึง80ดสิบไม่เคยข้านกันเองผีกับนักวิชาการในปัจจุบันนะวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างเนะี่ยแล้วแต่ลมนะะ แพระพุตธเจ้าไม่แล้วแต่ลมมันขึ้นอยู่กับพระญาณที่ลงตัวเพราะความจริงมันมีอย่างเดียวแต่นั้นเองไม่มีไม่มีอย่างที่สองแล้วแต่นั้นเมื่อพูดอะไรเมื่อพูดถึงความจริงก็คือเรื่องของความจริงอะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลก็คืออกุศลอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยแสดงในฐานะที่เป็นกุศลเลยอะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นกุศลก็เป็นกุศลอยู่อย่างนั้นไม่เคยแสดงว่าเป็นอกุศลพระวจาจนะไม่วิปริตไอ้สิ่งที่เราสวดรถว่ากันอยู่เนี่ย เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีการทบทวนเราสวดศาสตร์ถังสะบายัญนชนะงเกวละปริปุนังบริสุทธิ์ทางพระมาจารย์ังประกาเศเสสินี่คือหลักหลักของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพรมาจารย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอัตตะและพยัญชนะอัตตะคือสารัตะคือเนื้อหาของเรื่องพยัญชนะคือตัวอักษรที่ใช้อย่างในกรณีของการใช้คําว่าความเกิดเนี่ยเตะไปพูดกันเลื่อนเปื้อนไป ถ้าจะตั้งศาสนาใหม่นะไม่ว่าอะไรแต่ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ทุกทีพระสารีบุตรก็พูดอย่างนี้พระโมคคัลลานะก็พูดอย่างนี้แล้วพูดเหมือนกันให้ลองสังเกตว่ายุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่คนมันเป็นอริยะแล้วเนะี่ยตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปและกรัญญานะุถุชนขึ้นไปไม่มีใครเป็นวาทถ้าเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าเลยนอกจากอะไรพวกเพียเพ้ยนๆที่ไม่ได้อะไรเลยนะพวกน้ําติดถ้วยตนะั้งนส่งเสียงดังมาก ถ้าพวกที่ขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วไม่มีใครพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องชาติอย่างนี้เพระภาษาริบุตรไปแสดงก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนคําว่าอาวุโสจากภิกขุเป็นอาวุโสแต่นั้นเองพระพุทธเจ้าเรียกภิกษุต่างหลายว่าภิกษุเวลาภาษาดิบุตรท่านก็เรียกว่าอาวุโสคือคุณหรือเธอนะชาติคือความเกิด น, นั่นไง ความเกิดการเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมูสัตว์นั้นๆอันใดอายังวุตจติพิกขเวชาติดูกอรภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเกิดทุกแข่งทุกคนเลยพูดอย่างนั้นทุกจีเลยแต่ใช้คําว่าชาตินี่คือสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะถ้าพยัญชนะตัวนี้อักษรตัวนี้จะใช้อย่างนี้แต่ใช้อย่างนี้ทุกจีไม่ใช่ว่าอย่างนี้พูดอย่างอย่างนี้พูดอย่างแต่บางอย่างนั้นเป็นการพูดถึงปริมาณความเข้มขน้น ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตสมตสมติทุกทรงชายอุเบกขาอุเบกขาพรหมิหารนี่ความเข้มข้นระดับหนึ่งอุเบกขาอัปมัญญาความเข้มข้นระดับหนึ่งอุเบกขาโคตรชมความเข้มข้นระดับหนึ่งแต่จะต้องเพิ่มคําอื่นเข้าไปตัวพยัญชนะนั้นมีความสมบูรณ์อัตถะสมบูรณ์จะเพิ่มพยัญชนะขึ้นไปเพื่อกระชับความในทางกา ร, รษษษษประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นแน่นอนนักเกินว่าขั้นตอนของอุเบกขาในพรหมิหารกับอุเบกขาในโคตรชมนั้นอุเบกขาเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกัน อุเบกขาในพผู้ชมมีปัญญาปรากฏเด่นชัดอุเบกขาในพรหมิหารนั้นพิจารณาในแง่ของกรรมแต่นั้นเองความเก็บค้นไม่ต่างกันไม่เหมือนกันหรือบางอย่างทรงใชย้ยกตัวอย่างเช่นว่าจาา่จาฆ่าจ่าฆ่าที่เรารู้กันโดยทั่วทั่วไปพระพุทธเจา้าถ้าทรงใช้แบบคารวสาสรธรรมธรรมะของผู้ครองเรือนจาฆ่าผู้ครองเรือนก็คือเ อ, อืเออ้เอเพื่อเผื่อแผ่เสีสละสงเคราะห์กันจาฆ่าแบบจาฆ่าทิฏฐาน คือจาระในอธิษฐานธรรมนั้นจะต้องสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนงของตัวเองเพราะมีคำว่าอธิษฐานอยู่ข้างบนเพราอถึงจาระในในนิโรธที่เราอธิบายนะอันนั้นคือสละกิเลสเลยแต่อย่าลืมว่าเป็นการอธิบายนิโรธจาระในความหมายนี้จึงหมายถึงการสละกิเลสไปเลยเป็นการแสดงที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐและพยัญชนะเพราะฉะนั้นทรงแสดงอย่างนี้ แล้วพอเวลาแสดงบาปรกรรมเหล่าอื่นซึ่งที่จริงนะฮะถ้าท่านมองให้เข้าใจแล้วบาปรกรรมทั้งหลายนั้นไม่กไม่อื่นไปจากอากุศลกําบดนะฮะไม่อื่นไปจากอากุศลกําบดสิบเรอตอนสุดท้ายของพระพุทธวจนะทุกแห่งแล้วไปเปิดได้ทุกประสูนย์้ามไปจะจบลงด้วยคาว่าสามูนโหกาลังกโรติถ้าทาชั่วะฮะหลงตาย ข้อต่อไปอาจจะเป็นข้อที่4ที่5หรือที่5ที่6หรือที่6ที่7นะแต่ข้อนี้จะติดรองรองสุดท้ายกับข้อสุดท้ายทุกแห่งของพระสูตรกายสสะเพดาปรามรณาทุกขติงวินิปาตังนิระยังอุปปัชชติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตานรกอสุรกายนั้นพระสูตรอื่นนะพระสูตรอื่นๆแล้วก็เรียกว่าทุกสูตรถ้าพูดถึงเรื่องห น, นี้ เวลาเขาถามนั้นเขาถามว่าหลังจากตายเมื่อกายแตกเขาถามอย่างนั้น yes. ก็ถามว่า oh หลังจากตายเมื่อกายแตกคือร่างกายทําลายไปเนี่ยจะไปเกิดในที่ไหนทําไมยังต้องไปเกิดในที่นั้นเขาใช้คําว่าหลังจากตายเมื่อกายแตกเขาไม่ได้ถามในปัจจุบันหลังจะตายกันเลยในตอนต่อไปก็ทรงแสดงว่าเหตุเกิดในสุคติเขาถามว่าบุคคลทําอย่างไรหลังจากตายเมื่อกายแตก แล้วไปบังเกิดในทุ ก, กติในสุ ก, กติทรงแสดงพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองอีกด้านไหนคือด้านที่เป็นกุศลกรรมบท10บเป็นผู้สำะระมัดระวงังสํารวมไม่ฆ่าสัตว์สํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความมีเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายนะฮะคือสรุปง่ายๆอย่างนี้กันแล้วกันว่า คือไม่ค่าสัตว์ไม่ถือว่าสิ่งของที่เจ้าของเขาให้ไม่เขาไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดค้าไม่พูดสอเสียดไม่พูดคําหยาดไม่พูดเพื่อเจือเที่ยวไหลไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคือสมาธิฏฐิก็ตกลงว่าอีกสายหนึ่งมันก็เหรียญสองด้านอีกด้านหนึ่งนั้นตกนรกอีกด้านหนึ่งก็ขึ้นสวรรค์ทีนี้สวรรค์เนี่ย ปริมาณของธรรมะท่านจะเห็นว่าคนเรานั้นบางทีไม่ฆ่านะครับไม่ฆ่าแต่พยาบาทนะไม่ฆ่าสัตว์แต่พยาบาทเพราะฉะนั้นคุณภาพทางจิตมันไม่เหมือนกันไม่ฆ่านั้นมันเป็นศีลแต่เสียธรรมะคือพยาบาทแต่คนหนึ่งไม่ฆ่ามีความเอ็นดูมันมีทั้งศีลมีทั้งธรรมคุณภาพจิตของบุคคลผิดกันแล้วเวลาบังเกิดในสถานที่ต่างๆก็บังเกิดแตกต่างกันทรงใช้ธรรมะเพียงสิบข้อนะครับ แล้วไ้ธมะเพยียง10ข้อนั้นได้โปรดเข้าใจว่าตัวเลขมันก็อย่างงั้นอย่างนั้นแต่ถ้าตัวการใหญ่จริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้อล่างเนะขอล่างสุดพระพุทธเจ้าเรียงในแนวนี้เป็นการเรียงเอาของเบาไว้ข้างบนเอาของบาไว้ข้างบนของหนักไว้ข้างล่างสุดแล้วของหนักเนี่ยมันจะทานของข้างบนได้ทั้งหมดเลยความคิด ที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะแยกทางกับสัมมาทิฏฐิคือไม่มีจุดบรรจบกันเลยจะแยกไปคนละทางแล้วแม้แต่ขั้นสูงขึ้นไปอย่าลืมนะเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมันก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่อีกภากหนึ่งมันเป็นเหรียญสองด้านแล้วพอไปตอนสุดท้ายมันมีสัมมาวิมุติมันก็มีมิจฉาวิมุติมันอยู่คนละทางกันสัมมาทิฏฐินั้นคืออะไรคือการเชื่อว่า ทานมีผลการบูชามีผลการบวงสูงต่างๆมีผลพ่อมีแม่มีนะฮะโลกนี้มีโลกหน้ามีกรรที่สัตว์ทําดีทําชั่วมีแล้วสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งโลกนี้มีสัตว์ผู้ลอยเกิดมีแม้แต่ในสมาธิทิฏฐิสูตรสิบข้อทรงสแสดงอย่างนี้เหมือนกันแล้วเหมือนกันทุกตัวด้วยไม่ฉาทิฏฐิสูตรทรงสแสดงไม่ฉาทิฏฐิแนวนั้นเหมือนกันทุกแห่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าตัวสมาธิฐิ คือปัญญาเนียนชอบนั้นเป็นหลักการใหญ่ที่จะทำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ควบคุมกายวาจาของตัวเองข้างต้นได้ไม่ว่าจะหลากหลายออกไปอย่างไรปริมาณของสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นสูงขึ้นก็คือรู้อริยสัจสีพ้นเป็นโลกุตระไปจากจุดนี้เองแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลประพฤติกระทาให้บริบูรณ์สมบูรณ์ในทำทั้ง10ประการนี้นะฮะแต่จะสมบูรณ์ในชั้นไหนก็ไม่รู้แหละ บางทีก็สมบูรณ์ในชั้นตามลำดับมาคือเอามาจากข้างบนทรงยืนยันว่าบุคคลสามารถที่จะตั้งความปรารถนาว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ขอให้เราบางเกิดในตระกูลคลือหักบดีมหาศาลในตระกูลพระมหาศาลกษัตริมหาศาลแล้วขอให้เกิดในเผ่าในพวกของเทวดาชั้นจัอจจตุมาราชเรื่อยเลาะไปเลยนะฮะเลาะไปเลย นี่ก็เป็นการนับสวรรค์ท่ เ, เคยนับมาให้ฟังคราวนักก่อนนานมานะครคือขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าธรรมะนั้นมี10ข้อแต่นั้นเองธรรมะสิบข้อนี้สามารถจำแนกคนได้จริงหรือเปล่าที่จริงนั้นเราดูได้ในปัจจุบันดูได้ตรงไหนว่าคนจบเป็นญาตรีเท่ากันมันไปจำแนกได้ทั้งๆที่จบเป็นญาตรีได้ปริญญารับมาปริญญาพร้อมกันพอเริ่มทำงานแล้วเริ่มจำแนกแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าไอเหตุให้เกิดเป็นได้ปัญญาตรีแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแล้วคนเ ร, เริ่มจะแยกกันตัวเองกระจายออกไปบางคนก็ก้าวหน้าไปเวลารวดเร็วบางคนก็ย่ำตอกกันอยู่เนี่ยนี่เป็นภาพชีวิต ท, ที่เราเห็นนะไม่ต้องไปมองให้ไกลถึงข้ามชาติข้ามภพข้ามโลกไปแต่นี่พูดถึงการข้ามภพเลยข้ามเป็น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอย่าลืมใช้คําว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่ใช่ตายขณะจิตนะฮะขณะความคิดนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาเรียกเกิดดับเขาไม่เรียกว่าชาติเขาเรียกเกิดดับอุปาดะทิติพังคะบาลีใช่คําั้นอุปาดะเกิดทิติตั้งอยู่พังคะดับไปอุปาดะทิติพังคะใช่อย่างนั้นท่านใช้อย่างนั้นเราก็ต้องใช้อย่างนี้ความหมายอย่างนี้ใช้อย่างนี้ความหมายอย่างนี้คาบางคนละคำกันอยู่แล้วคำบางคนละคำกันอยู่แล้วเราก็ใช้ในความหมายต่างกันอยู่แล้ว ทรงยืนยันผลนะฮะทรงยืนยันผลว่าคนเราในเลือกเกิดได้เลือกเกิดน้อมใจไปเกิดที่คนน้อมใจไปเกิดนี้ที่จริงมีนะฮะท่นนาทบินทิกาเศรษฐีแต่นั้นท่านเป็นพระโสดาเออไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านบอกว่าท่านจะไปเกิดเป็นพวกของท้าวจาตุมาราชซึ่งท่านก็ชอบใจนะฮะไม่ทราบท่านเรื่องอะไรท่านที่จริงพระโสดาบานันน่าไม่น่าจะไปเกิดเป็นจัตุมาราชหรอกมันน่าจะอย่างน้อยเป็นดาวดึง แต่ท่านท่านบอกว่าชาติก่อนนั้นท่านเคยไปเกิดเป็นบริวารของเทเวสุวรรณเพราะนั้นจะขอไปเกิดเป็นเทวบริวารของเทเวสุวรรณแล้วท่านก็ไปเกิดไปเกิดเป็นชนะวัสภายักษ์นี่แสดงไว้ในชนะวสภสูตรในทีคณิกายตั้งใจไปเกิดแล้วก็ไปเกิดได้เพราะอะไรเพราะไอ้กูศ่วนหลักฐนมันเหมือนอะไรนะฮะกูศ่วนหลักฐานนั้นเหมือนสเสบียงเหมือนสเสบียงเหมือนเงินนะฮะเหมือนรรทรัพย์สมบัติก็แล้ว ก, กัน ไอ้ทรัพย์สมบัติถ้าเรามีทรัพย์สมบัติอยู่นี่เราตั้งใจจะพักโรงแรมไหนก็ได้นะลองดูง่ายๆอย่างนี้ว่าในสังสารวัตรนั้นก็เหมือนกับโรงแรมคือเราต้องต้องการจะพักในโรงแรมไหนก็ได้ถ้าเรามีเงินมากๆนะฮะพักชั้นหนึ่งที่สุดในประเทศก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีไอ้เงินทองมากน้อยแค่ไหนเพียงไรในสังสารวัตมันก็เองก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าโลกนั้นไม่ได้มีเฉพาะโลกเราโลกเดียวสิ่งมีชีวิตไม่ใช่โลกเราโลกเดียว มนุษย์นั้นคล้ายๆกับทางแยกนะมนุษย์เป็นทางแยกฐานั้นเองแยกที่จะสร้างบาปรกรรมให้ตกนรกหมกไหอเวจีก็ได้นะแล้วก็แยกไปสู่จนถึงสุดท่าวาสก็ได้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโดยอาศัยธรรมะสิบข้อนี้แต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะฮะสิบข้อนี้ก็ห้ข้อโน้นเหมือนกันนะฮะเป็นธรรมะเหมือนกันเป็นธรรมะกลุ่มเดียวกันเป็นกุศลแธรรมพวกเดียวกันแล้วปฏิบัติแล้วมันเป็นการปฏิบัติหมดหม ด, หมดทั้งสิบห้ข้อเลย พระธรรมวเป็นความหลากหลายด้วยชื่อแต่ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วจะเกิดสืบเนื่องกันเองไม่ต้องไปนับข้อเสียเวลาแต่นับข้ อ, อยังยกยกตัวอย่างเขานับชานสิบหกนี่โอโ้ต้องไกลจังเลยบันไดที่จริงไม่นะฮะไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปแล้วไปแล้วมันเหมือนกันอะไรนะเวลาเราเรียงละเอียดท่านลองดูในแนวนี้นะในแนวสติในแนวชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้ามองกระบวนการแบบธรรมะโอ้โหมัน ยา ว, ลวเลยกันแต่แท้ที่จริงไม่ยาวสมมุติถ้าท่านเห็นรูปปั๊บท่านรักปุ๊บท่านเกลียดปุ๊บนะในกระบวนการเกิดดับของธรรมะนั้นมันไม่ใช่มีเท่านั้นมันต้องมีตาเห็นรูปมีแสงสว่างมีรูปอยู่ในวิสัยของจักษุมีเราตาดีแล้วก็มีมนติกามันก็เกิดเป็นวิญญาณพอเกิดเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นสัมผัสเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาแล้วก็เป็นตัญหา เป็นตันหาแล้วก็เป็นมิตกก็ยังว่าเรื่อยไปเดินก่นกว่าจะถึงนะแต่เราแป๊บเดียวเราเกิดแล้วเพราะเรียงแบบธรรมะนั้นไม่ได้เรียงอย่างนั้นเพราะถ้าเรียงขั้ะฉียิบเลยเราดูคล้ายมันมากที่จริงก็ไม่มากอย่างนั้นพอเริ่มปลูกสักต้นแล้วจะเกิดขึ้น่เองเลยให้มีต้นธรรมะอยู่กันแล้วกันนี่ก็คือความประพฤติเรียบร้อยนะฮะความประพฤติทำประพฤติสุจริตพูดง่ายๆอย่างนั้นจนถึงก็สุทาวาสนะ ขึ้นไปถึงสุดทาวารเป็นอนิตจพบเช่นเดียวกันเลยคือหมายความมาเกิดพรหมโลกได้ทุกชั้นแล้วเกิดในสวรรค์ได้ทุกชั้นเราตั้งใจไปเกิดได้ทรงยืนยันทั้งสองสูตรนะฮะถ้าอาจารย์สังเกตประสูศุที่พูดในวันก่อนสังขารูป ป, ปติสูตทธิธรรมะห้าข้อแล้วบอกว่าเลือกเกิดได้และธรรมะอีกสิบข้อนี้ก็เลือกเกิดได้เหมือนกันธรรมะทั้งสิบข้อกับสิบข้อธรรมะห้าข้อกับสิบข้อเป็นเรื่องของการปฏิบัติในแนวเดียวกัน แล้วพอปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทีนี้ปัญหาว่าทํำไมคนเราเนี่ยจึงไปคัดค้านเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะเราอ่านพุทธประวัติไปนิดเดียวเจอแล้วนะอยู่ในปริเชตที่สี่ของพุทธประวัติพระพุทธเจ้าสัจสรูุท่านั้นเองปริเชตที่หนึ่งชมพูทวีประชาชนปริเชตที่ 2, สองสักะชนนบดไดสากยะวง์พระโพธิสัตติเศษที่สพระโพธิสัตติสูตรพระโพธิสัตต์สี่บรรพชาห้าสัจสรุ ไปเชที่ห้าเปิดไปไม่ถึงครึ่งเล่มนะเจอแล้วเจอแล้วในพุทธประวัติว่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาค้านกันอย่างอย่างอ ย, งอยง่เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทําไมชาวพุทธเราจึงสับสนในเรื่องศรัทธาทางศาสนาทําไมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่นั่งหันหน้าพระพุทธรูปพุทธังสนางกัจฉามิและเสร็จแล้วนั่งพูดทันหลังให้พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพูดอย่างลูกศิษย์พูดอย่างนั่นเ พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นทรงรู้เห็นด้วยพระญาณแล้วก็ทรงแสดงออกไปเราไม่มีพระญาณอะไรหรอกไปท้าทายพระพุทธเจ้าเลยเหมือนหมูสกปรกท้าชนราชสีเหมือนเอามัดเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเที่ยวขอาปะสุเมรนี่สำนวนพระอัจฉริยอาจารย์ท่านใช่นะฮะว่าประสพพันยุตยานเรายังรู้ไม่ได้พระอรหันต์เองพระษาดิบุตรยังหย่างไม่ถึงนะฮะภาษาดิบุตรเองยังอย่างพระสัมพันยุตยานไม่ถึง พระสารีบุสามารถแสดงธรรมจักได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแต่ว่าเอาข้าิงแล้วท่านก็อย่างได้ไม่ลึกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านอุปมาถึงถึงยานความรู้ของท่านสามพุทธเนี่ยสามพุทธเนี่ย อ, อารหันตสมาธิพุทธาปเจกพุทธาสาวกกะพุทธเนี่ยว่าเหมือนกับสัตว์ข้ามน้ำสามตัวนะครับช้างแล้วก็มา้าแล้วก็กระต่ายข้ามแม่น้ําที่เดียวกันคร แต่ว่าอย่างแม่น้ําได้ลึกไม่เท่ากันช้างนั้นอยางได้ถึงพื้นมาถึงบ้างไปถึงบ้างกระตายนะว่ายน้ําป้อมปั้มปั้มาข้ามกนเหมือนกันมันข้ามได้แต่ว่าอย่างได้ไม่เท่ากันหรอกเพราะงั้นความรู้ระดับที่เราเรียกเหมือกนกันปัญญาเหมือนกันญาณเหมือนกันแต่ญาณของพระพุทธเจ้ากับญาณของพระอาหารหันต์ไม่เท่ากันเรียกญาณเหมือนกันเหมือนกับไฟนะฮะเราเรียกเขาไฟทั้งหมดแต่ว่าไฟแต่และดวงมันแสงสว่ า, วางไม่เท่ากันเมื่อไหร่เรื่องที่น่าสังเกตก็คือว่า นำมาได้ตั้งข้อสังเกตในที่นั้นนะ่ยก็เกิดเห็นว่าศาสน า, าคริสต์นั้นเขาพูดเรื่องเดียวกันเนี่พูดเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันเลยเรียกว่าทุกประโยคน์กัได้ทั้งไปอาจจะใช้ถ้ยอยคํำจำนวนผิดกันบ้างแต่รักษาสาระถากายตั้งหมดทําไมเพราะศาสน า, าคริสต์นั้นใครแตะพระเยโฮวาไม่ได้เป็นการละเมิดต่อพระเจ้ามีมาตรการในการควบคุมการพูดการถแถกถ้าอิสลามแล้ยิ่งใหญ่เลย ไม่มีใครแตะอันเลาะได้เลยใครพูดถึงอันเลาะโดยการขาดความเคารพแล้วถูกประนามอย่างรุนแรงเลยเราใครโจมตีพระพุทธเจ้าได้ลูกศิษย์เทโลสารภาเชียกันใหญ่นี่อาจารย์เราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าจะตั้งศาสนาใหม่ก็ตั้งเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ามาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องพูดตามที่พระพุทธเจ้าว่าเอามายืน ย, นยันอยู่เสมอปัจจุบันในชักจะกรัวๆนะได้ยินโยมพูดธรรมะจะขุนทุบพลบ่อยเราขนลุกเลยกลัวขี้กากขึ้นหัวเอามาไม่มีธรรมะแล้วับ มารมของพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองมาเป็นคนสื่อสารเป็นคนถ่ายทอดให้ถ้าผิดผิดแล้วก็รับแต่ถ้าถูกถูกกัของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่คือต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าเรานั้นเราเป็นขนาดว่าได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้บุญโขแล้วนะคนตั้งหลายพันล้านเนะี่ยไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่ร่มทงพระพุทธเจ้านี่ก็บุญมากมายแล้วเกินวาสนาบาตรมีไปทีนี้ เรื่องอะไรที่เราจะไปสร้างวาระขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าออประการที่สําคัญก็คือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยฮะขับรถชนป้อมพระพุทธเจ้าเองที่ยุ่งตัวนี้ฮะให้ลองสังเกตว่าชาวพุทธนั้นไม่มีเอกภาพทางความคิดต่างคนต่างว่าแสดงกันยุ่งไปหมดเลยทุกคนนึกจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่ดูพระไตรปิฎกว่าอย่างไรแล้วบางทีบอกไม่มีในพระไตรปิฎคือมันพวกไม่เคยอ่านนะฮะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกับการามาสูตรซึ่งกําลังเป็นปัญหานี่ฮ การามาสูตรที่พูดในวันก่อนเพราะอะไรเพราะคนที่อ่านที่อ้างการามาสูตรนั้นที่จริงแล้วเขาไม่เคยอ่านการามาสูตรนำมายืนยันได้เลยว่าคนที่พูดสิบคนนั้นเคยอ่านการามาสูตรจบจากสองคนก็บุญแล้วนะแล้วอ่านในปัญหาว่าเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาก็อ้างเรื่องการามาสูตรกันคิดมาการามาสูตรนั้นพระพุทธเจ้าสอนระดับพวกจินตามยะยปัญญาสอนคนที่มีความรู้อยู่แล้วแต่ไม่คิดอให้คิดเท่านั้นเอง ให้สังเกตว่าในกาลามสูตรที่บรรยายประวันแรกพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศธรรมเพิ่มแม้แต่คําเดียวถามให้ตอบท่านเหล่านั้นตอบได้แสดงว่าไงก็ท่านรู้นะท่านรู้มาแล้วท่านฟังมาเยอะแต่ท่านคิดไม่ออกนะเนี่ยท่านไม่ได้คิดต่อบไปจากท่านที่ฟังท่านรับมายังไงท่านก็รับมาอย่างนั้นเลยจํากับกรรมไว้ทั้งก้อนเลยไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบไม่ได้คิดสืบต่อพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปรองลงมาคิดแต่เท่านั้นเองครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะเอามาพูดในที่ทั่วไปไม่ได้กาลามสูตรเนี่ พูดไม่ได้พอๆกับเรื่องสุญญตานเราพูดไม่ได้ในที่ทั่วไปนะพูดไม่ได้เพราะพูดแล้วจะเป็นอันตรายพูดไปพูดมาพ่อแม่ไม่มีคุณหมดห้ามเชื่ออย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนั้นไม่เชื่อให้ว่าคนนั้นแม้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยพ่อแม่ก็ไม่ต้องเชื่อครูก็ไม่ต้องเชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเชื่อมันการามาสูตรบอกไม่ต้องเชื่อมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเผยแพร่ไม่ได้อย่าลืมแตว่าเรื่องบางอย่างสมมุติอย่างเรื่องไตรักษเนี่ยถ้ามาจะพูดได้ในห้องกรรมฐานอย่างเงี้ยพูดได้ พระท่านทั้งหลายนั้นอยู่ในสภาพจิตที่สูงพอจะเรียนรู้เรื่องใจรักแล้วแต่ถ้าไปพูดกับชาวบ้านทั่วไปในเราไม่พูดข้างนอกวัด น, ะนอกจากคนในโรงเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวกับวิปัสสนาอย่าลืมพระพุทธเจ้าสอนใจรักกับพระปัญญวคีนะครับพระปัญญวคีสอนเมื่อไรสอนเมื่อพ ร, ระปัญญวัคีเป็นพระโสดาบันแล้วไม่จะสอนคนทั่วไปเผยแผ่ทั่วไปไม่ได้ ธรรมะนั้นมันมีขีดขั้นขั้นตอนตามลักษณะของอินทรีย์ของคนที่มาฟังธรรมะนี่คือความสับสนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของชาวพุทธแล้วบอกหายไปเลยบางทีบอกพระพุทธเจ้าไม่ทรงสแสดงเรื่องนี้อันนี้ปริญาที่ไม่ทรงสแสดงนี้ก็ควรจะเข้าใจไว้นะครับมันมีความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิในสมัยนั้นอยู่ความคิดหนึ่งไม่ผิดโดยสิ้นเชิงแต่ว่าไม่ถูกโดยสิ้นเชิง แต่ในขณะเดียวกันคนทั้งหลายตั้งป้อมกันอยู่ในการตั้งป้อมเนี่ยถ้าเราไปร่วมบวงปาบูนเนี่ยเราต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้งมาอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งตั้งป้อมเป็นศัตรู ก, กับเราเป็นปัญหาที่เปราะบางในด้านความคิดมันเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับพระทะเลาะกันที่กรุงโกสัมพีเรื่องนิดเดียวเรื่องนิดเดียวเรื่องมาแรงวันกัไข่น้ําพึ่งนี่แหละพระองค์เดินเข้าห้องน้ําแล้วทิ้งไม่ไม่เทน้ําให้หมด ซึ่งในวินัยนั้นห้ามนะฮะคือพระต้องใช้น้ําให้หมดเทน้ําให้หมดพระองค์หนึ่งเข้าไปถามท่านก็รับแล้วท่านก็จะกลับไปเทท่านบอกว่าไม่เป็นไรเราท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัติอะไรหรอกก็เรื่องมเงียบไปไเสร็จแล้วองค์ที่บอกว่าไม่เป็นไรน่ะไปเล่าให้คนอื่นคนอื่นก็พูดต่อกันเสร็จแล้วสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกองค์นี้ละเมิดวินัยฝ่ายหนึ่งบอกองค์นี้โกหก เกษตรแรกก็ตั้งป้อมชนกันใหญ่เลยกลายเป็นสองฝ่ายพระก็เป็นสองฝ่ายชาวบ้านก็เป็นสองฝ่ายก็หนุนถือหางกันใหญ่ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีหางให้ถือและในที่สุดมันออกมาเป็นยังไงฮะออกมาเป็นความแตกแยกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นไม่รับสั่งว่าใครผิดใครถูกไม่พูดเรื่องประเด็นนั้นเลยยกประเด็นนั้นทิ้งไปเลยพูดให้สมานสามัคคีเพราะอะไรพระท่าพระพุทธเจ้าว่าพระวินัยทรนนี้ผิดนะโกหกเขาไอ้พวกวินัยทรนก็ว่าพระพุทธเจ้าลําเอียง แต่ถ้าบอกว่าพวกทํำกระถือผิดนะไม่ดูวินยัยพวกทํำ ก, กระถือก็โกรธพระพุทธเจ้าพระวินัยถอนได้พวกต้องลงว่ามันเป็นฝ่ายแน่นอนสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพูดจากับเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ไปอยู่กระลิงกระช้างนะฮะที่มีรูปลิงกระช้างตั้งของนึกออกนั้นแหละพระพุทธเจ้าอยู่ป่าได้สามเดือนรถดพระประชาชนต้องประท้วงกันเป็นการใหญ่แล้วก็พระนั้นก็ถูกบอยคอรดไม่ตักบาทเลยก็สะใจไปแยะอันนี้ค่ะ เราจะเห็นว่าในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยถ้าเรากระโจนเข้าไปร่วมวงไพบูลเข้ามันก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็ เ, เรียกว่าอภิญญากตะปัญหาที่พูดกันเนี่ยสีขันเนี่ยแต่ไม่ตอบดันทำไมจึงไม่ตอบไม่ใช่ไม่ตอบจริงๆแต่ไม่ตอบด้วยถ้อยคําอย่างนั้นเพราะถ้อยคํามันตั้งผิดมาตั้งปัญหาผิดแล้วพอตั้งปัญหาผิดตะคือตอบมันก็ผิดเช่นว่า ก็ไม่เยอะบข้อนะฮะโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสริระอันนั้นชีพอันอื่นสริระอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วยังไม่เกิดอีกไม่เป็นอีกนี่สิข้อเราใจว่าไอ้สิไอ้สองข้อหลังในคล้ายๆจะคล้า ย, จายๆจะถูกนะฮะแต่อย่าลืมว่าความคิดการไปเกิดของคนในสมัยนั้นมันไปกันทั้งรุ่นไหยแต่ของเราเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเรามันเป็นกระบวนการแบบไฟมันไ ป, ไ ป, นไปแบบกระแสไฟเราพูดแบบกระแสไฟ จะถือว่าอย่างเดียวกันก็ไม่ได้คนละอย่างกันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างน่ยฮะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราจุดไฟตรงเนี้แล้วไฟมันไปไหม้ท of hey so ี่หน้าวัดเราจะถือไฟอย่างเดียวกันกับที่เราจุดมันก็ไม่ได้เราจุดตรงนี้แต่เราถือว่าอื่นจากไฟที่เราจุดก็ไม่ได้อีกละนี่มันก็การเกิดดับมันได้เชื่อมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันก็สืบเนื่องกันไปแต่อย่าลืมว่าผลที่เกิดจากไฟไหม้บ้านโน้นเราต้องรับผิดชอบนะ เราต้องรับผิดชอบเพราะเราเป็นคนจุดหรือเหมือนกับเราปลูกมะม่วงเราปลูกมะม่วงต้นหนึ่งแล้วมะม่วงมันออกลูกเราจะถือว่ามะม่วงไอ้ผลมะม่วงต้นนี้แหละผลเนี้ยคือมะม่วงต้นต้นที่เราปลูกหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่านอกจากมะม่วงที่เราปลูกหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกอะแต่มันเป็นการเกิดสืบเนื่องกันไปมะม่วงต้นมะม่วงลูกนั้นก็ไม่ใช่มะม่วงต้นนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แยกออกไปโดยสิ้นเชิง นี่คือกระบวนการของชีวิตมันก็มองกันคนละมุมพอมองกันคนละมุมไอ้นิยามความหมายมันออกมาอย่างเงี้ยเขาน้ยามขออย่างนี้เราน้ยามขออย่างนี้พูดคําเดียวกันแต่คนละความหมายผู้คําคำเดียวกันแต่คนละความหมายในสุดมันก็ต้องเฉียงกันเ ข, <Seriously. S 1> ข, ข, ขนนาเรียกว่าอาตยาธรรมวิทยาเป็นระบบความคิดเป็นปรัชญาระดับอัตยาธรรวิทยาเมื่อพูดแบบระดับระดับอาตยาธรรมวิทยาเขาจะพูดแบบกระบวนการพระพุทธเจ้าทรงใช้คําหลักที่เรียกว่าเราปฏิจจสมุปบาท จะใช้คำในแนวปฏิจจสมบัติคือถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดเกิดเป็นสิ่งนี้ก็เกิดเพราะฉะั้นถ้าอวิชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีอายตนะมีมันมีเป็นกระบวนอย่างนั้นแต่จะไอคำบัญญัติของเขาคือคือคือคำเดียวกันนะฮะเรียกชื่อคล้ายๆจะเรียกเหมือนกันแต่ว่าพอพูดกันแล้วพูดกันไม่เข้าใจยังสมมุติง่ายๆว่าชาวบ้านพูดโมโหกับพระพูดโมโหนี่พูดคนละโลกกันเลยนะะ ผู้ Base คนละโล ก, กันเลยเพราะมอ โ, อโมโหของพระนั่นคือหลงแต่มอโมโหของชาวบ้านนั้นคือโกโรธคือโกรธเลยแล้วว่าทุกขในภาษาชาวบ้านเรานี่ทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเราเรียกว่าทุกแต่ว่าทุกในความหมายของธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นในอย่างอื่นก็เป็นทุกขว่าสิ่งตั้งหลายมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุป Pas ัจจัยนี้ก็คืออาการทุกอย่างหนึ่งสิ่งต่งางๆที่มารักาษาสภาพเดิมของมันไว้ไม่ได้มมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกอีกอ ย, อย่างหนึ่งซึ่งอย่างนี้ชาวบ้านเ <ą> ขาไม่พูดกันเขาไม่เรียกว่าทุก แต่ทางศ า, ศาสนาที่ปวดทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พยากรณ์ในจุดนี้แต่จะพยากรณ์ในอีกแนวหนึ่งถ้าพูดถึงระดับนี้นะอย่าอย่าลืมว่านั่นคือระดับของปัญญาชนที่พูดกันในแนวปรัชญาก็จะพูดในแนวปรัชญ า, พนนาเพราะถ้าเราเออกมาพูดด้วยภาษาธรรมดามันก็พูดกันไม่ได้จะเกิดถกเถียงกันและกลายเป็นฝกักเป็นฝาย ก, ก, กันทีเดียวเลยพระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรณ์นั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพื้นฐานคนฝังนั้นไม่พอที่จะฟังนั้นอย่างหนึ่งแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ คือจะมีการถกเถียงกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ร่วมบงภัยบูรณาการถกเถียงกับเขาเหล่านั้นแต่อย่าลืมว่าเวลาทรงแสดงเวลาทรงแสดงด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาคือภาษาธรรมดาภาษาธรรมดาจะพูดแบบธรรมดาไม่ได้ติดในรูปแบบของถ้อยคําคือพูดกันเข้าใจนะฮะพูดการเข้าใจว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีเกิดเป็นอนาถบินทิกาเทพประภูต อนาตบินทิกาเทพประบุกัอนาตาบินทิกาเศรษฐีไม่ใช่คนเดียวกันหรอกเพราะคนหนึ่งเป็นเทพบุตรคนหนึ่งเป็นเศรษฐีแต่ว่าไอ้องค์ประกอบส่วนหนึ่งของความเป็นอนาตาบินทิกะเศรษฐีนั้น น, นั้นไปเกิดเป็นอนาตาบินทิกะเทพบุตรเพราะงั้นถ้าพูดเป็นไทยๆพูดโดยไม่ต้องติดรูปแบบไม่ต้องเอารายละเอียดมากนะก็คือพูดว่าพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นชนะวสภายักนนอนาตาบินทิกาเศรษฐีไปเกิดเป็นนาตาบินทิกะเทพบุตร โคศกะไ อ, ไอ้ไอ้ลูกสุนัขวัน ก, นก่อนที่เล่าออฟังนะฮะก็เกิดเป็นโคศกะเทพบุตรแต่ไอ้ลูกสุนัข ก, ก็เทพบุตรไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะคนหนึ่งมันเทพประบุษคนหนึ่งเป็นสุนัขแต่มันมีอาการต่อเนื่องมันก็จุดไฟมันก็ไอ้แสงสว่างอย่างนี้มันเป็นอาการต่อเนื่องไฟขณะนี้ไม่ใช่ไฟขณะที่แล้วแต่เราก็พูดรวมๆไฟหลอดนี้สว่างดีพูดรวมๆนั่นคือแนวพูดรว ม, รวมๆก็ต้องดูว่าพูดกันในในระดับไหนเออเทวันนอีกระดับหนึ่งนะ อีกระดับหนึ่งจะพูดยืนยันในสังสารวัฏชัดเจนเลยนะเจนว่าขปเมเก อ, อุปชันติสัตว์บางพวกเกิดในคันนิรยังปาประกรมมโนคนที่ทําบาปทํากรรมมาไว้บางเกิดในนรกอันนี้ไม่ใช่พูดบาลีจะเถิด น, นะแปลให้ด้วยน ะ, ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าพระพูดภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องอ่าสักคังสุกติโนโยันติคนทําความดีเอาไว้จะบังเกิดในสุกติปรินิบาอาาาานาสวะคพท่านผู้หมดอาสวะนิพพาน อดอาสวะกันนี้ผานและบางทีก็ทรงแส ด, แดงต้องต้องที่เราเห็นได้ชัดชนะฮะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอทั้งหลายไม่รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงต้องท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏเป็นอันมากต้องเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดบางครั้งทรงแสดงเรื่องคนร้องไห้เพราะลูกตายทรงแสดงว่าไอ้น้ําตาที่เราร้องไห้เพราะพลาดพลาดจากคนที่รักเนี่ย ถ้ามันไม่แห้งไปในสังสารวัตอันยาวนานมันมากกว่าน้ําในหมหาสมุทรเสีอีกมันยืนทันอะไรนะนอกจากคนฟังภาษาไม่รู้เรื่องต่นนั้นเองที่บอกว่าไม่ได้พูดถึงชาติก่อนไอ้น้ําตาชาตินี้มันจะเท่าน้ําันในหมหาสมุทรได้ยังไงฮะสักแก้วยังไม่ได้เลยแต่นี้เขาพูดถึงว่ามันถ้าไอ้ตั้งแต่เราเกิดเวียนว่ายในสังสารวัตตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาเนี่ยมันมีมากจนขนาดน้ําในหมหาสมุทรก็เทียบไม่ได้ทีนี้สมมติว่านะฮะสมมติว่าเราจับหลักไม่ได้ เรยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดมีสังสารวัตรหรือไม่มีสังสารวัตรอย่างวันก่อนเนี่ยที่ที่ตั้งปัญหาเขาตอบเขาเขาบอกว่าแล้วใครจะอธิบายไอ้ไอพื้นฐานทางสติปัญญาลักษณะนิสยัยแนวโน้มอะไรต่างๆได้ก็อธิบายแบบทฤษฎีกรรมพันธ์ของไอ้ฟรอยติสบันฟรอยติสเดีว่าไม่นี่มันเป็นการสืบเชื้อสายมาจากพ่อแม่บางทีพ่อแม่ฉลาดจะตายลูกโง่บรมเลยไม่เห็นมันสืบมันสักนิดหนึ่ง และบางทีลูกพ่อแม่ทึมๆลูกไปนักปราชญาแล้วมันเกิดมาได้ยังไงฮะมันผิดพ่อผิดแม่มาได้ยังไงเราจะเห็นว่าไม่มีใครอธิบายได้ชีววิทยาเองอธิบายไม่ได้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำหนดของมนุษย์นั้นจะไม่พูดเจาะรายละเอียดเหล่านี้เพราะก็อธิบายไม่ได้มันมีความผิดแผกกันเยอะแยะทั้งลักษณะนิสยัยบางทีผิวกายบางทีรูปร่างไปกันคนละโลกเลยแม้แต่ลูกฝาแฝดอย่างพระใหม่ที่บวชที่วัดนี่สองคนพี่น้องนี่ไม่มีเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเลย นี่คืออะไรคือสิ่งที่อยู่เหนือวิชาชีววิทยาเหนือหลักพันธุกรรมเหนือหลักที่เราเรียนกันอยู่ในวิชาการทางโลกและที่สําคัญก็ที่น่าสลดใจก็คื อ, อคือว่าเอาขนาดไอ้ซิกบันฟลอยขนาดฌานดาวินซึ่งไอ้ความคิดของแกคนเกิดมาจากลิงเนี่ยจะมาไม่ยอมรับเราไเราไม่เอาไอ้ไปลูกหลานลิงเนี่ยไม่เอาเนีบุญบรรพบุรุษเราเนี่เป็นคนแน่นอนเลยใครสมัครเป็นลูกหลานลิงก็เอาไป เนี่ยคือคื อ, ค อ, ค อ, คอมันมันไม่มีไอ้หลักฐานอะไรทําไมไอ้ลิงจึงอลิงตั้งเกลือนอยู่ในโลกมันไม่พัฒนาขึ้นมาได้คนทําไมไป ม, มาจากสายคนลิงไม่มาจากสายลิงทําไมเอาลิงไปปนกับคนลิงก็เกิดมาสายของลิงคนก็เกิดมาสายของคนมันก็เกิดเป็นกระบวนการชีวิตอีกแต่หนึ่งนี้ซึ่งจะพูดกันในเรื่องอีกทีหนึ่งนะเกี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับกำเนิดของชีวิตและกําเนิดของโลกทีนี้สมมติว่าเราความเชื่อกับไม่เชื่อ ท่านทั้งหลายเห็นว่าเรื่องความเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยมันผลต่างจะแตกต่างกันกรรมกับสังสารวัฏอย่าลืมนะฮะเป็นคู่แฝดเป็นปลาทองโกลเลยแยกไม่ออกกรรมกับสังสารวัฏนั้นแยกไม่ออกโดยพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพยานทั้งสองถ้าเราเชื่อความไม่อยู่ของกรรมของผลของกรรมจะทําให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นสิ่งที่ยุติด้วยธรรมแต่ถ้าเราไม่ไม่มองเห็นในเรื่องกฎของกรรมเช่นสมมติว่า ไม่มีกรรมอะไรเลยนะฮะไม่มีกรรมอาไม่ไม่มีมาตรการในการในการยกย่องในการลงโทษเลยเราจะทำความดีไปทำไมนยเมื่อไม่มีใครให้รางวัลข้าราชการจะต้องขยันไปทำไมเมื่อไม่ได้เลื่อนคัดเงินเดือนอะไรทำวันวันดีวันนี้ก็เสร็จทำความความชั่ววันนี้ก็ก็เสร็จไปแล้วก็ยิ่งคนทำความดีที่ก่อนจะตายนะฮะไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วแล้วแล้วแล้วอะไรคือรางวัลอะไรคือรางวัลก็ทาให้เสร็จเลย เพราะงั้นในแง่ของสังสารวัตนั่นคือกฎที่ยุติธรรมที่สุดทําความชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พราหมณเขาเข้าใจเนี่ยฮะว่าหนึ่งเนี่ยคนทําอกุศลกรรมบุเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างอกุศลกรรมบุตเหมือนกันทุกชีวิตเนี่ยตกนรกเหมือนกันคนทําความดีจะอยู่ในกําเนิดวันณะไหนก็ตามไปสุกติเหมือนกันคนทําความผิดกฎหมายบ้านเมืองติดคุกเหมือนกันคนออกมาเป็นนักบวชได้ความเคารพนับถือเหมือนกันวันณะไหนก็ตาม คนทําหมดสิ้นอาสวะนี้ผ่านได้เหมือนกันไม่มีวันนั้นนี่คือความยุติธรรมความยุติธรรมไม่ได้จํากัดขีดขั้นใครไว้ที่ไหนเพราะเหตุอะไรก็ตามแต่เป็นกฎของธรรมชาติที่มีความเป็นธรรมที่สุดสังสารวัตนั้นคือการให้คุณให้โทษเหมือนกับเราทํากรรมในปัจจุบันนั้นเองนะที่จริงเหมือนเราทำกรรมในปัจจุบนันแล้วว่ากรรมในปัจจุบันมันให้ผลเร็วเราก็รับรั บ, ร, บ, ร, บ, ร, บรับโทษรับคุณกันได้ในปัจจุบนัน แต่ว่ากรรมส่วนหนึ่งที่มันให้ผลไม่ทันอะไรมันก็ให้ในแง่ของสังสารเราครัให้ไปคนนี้ทําดีชาตินี้อ่ะพอตายปั๊บก็เกิดดีเลยคนนี้ทําชั่วชาตินี้ตายปั๊บก็ไปเกิดชั่วเลยเพราะอะไรเพราะเป็นนีิกรรมที่เขาจะต้องชดใช้มันเป็นบัญชียอดที่ยกยอดไปแต่เนี่ยยอดยกมาแต่นั้นเองแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสํานวนที่เราพูดกันว่าเราคนเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงเลือกเกิดได้นะฮะ เราเลือกเกิดได้แต่เราไม่ได้เลือกมาเท่านั้นเองเราไม่ได้เลือกมาเพราะว่าแต่หลายท่านก็อาจจะเลือกมาแล้วนะฮะเลือกมาแล้วตอนเลือกตอนไหนฮะตอนที่กุศลกรรมที่สั่งสมจนคุ้นเคยของจิตตามจิตของเราให้ผ่องใสก่อนตายแล้วก็มุ่งหมายที่จะไปเกิดในที่นั้นที่นี้อย่างที่เล่าเรื่องธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกนั้นมีเทพบิเจ้ามาเชิญตั้งหลายชันนะ้น แล้วท่านถามมาลูกว่าพ่อควรจะเกิดที่ไหนลูกบอกพ่อไปชันดุสิตดีกว่าท่านก็อธิษฐานไปชันดุสิตถ้านไปเกิดในชันดุสิตพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเวศุวันเล่าให้ภิกษุฟังอยู่ที่ประเวศุวันหรือท่านทนานชานีพราหมณ์ที่เคยเล่าในทนานชานีสุดทนานชานีพราหมณ์นั้นท่านเลือกเกิดเป็นพรหมชั้นต่ำพอใจจิตใจคือฉันท่ภายในใจของท่านในอยากเป็นพรหมชั้นต่ำภาษาริบุตรนำจิตนำจิตให้ท่านคิดเทียบเทียบเทบเทียบแล้วก็เน้นที่พรหมวิหารให้ท่านเริ่มแผ่พรหมวิหารไป ก่อนจะดับแล้วท่านไม่ยอมก้าวไปแล้วท่านชอบจังกับพรหมพระสารีบุตรก็กลับว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้พระฟังอยู่ที่กรุงที่พระเวรุวันเหมือนกันเวลานี้สารีบุตรกำลังนําจิตธนัญชานีพราหมณ์ไปอย่างนั้นอย่างนั้นธนัญชานีพราหมณ์ตายแล้วตอนนี้ไปเกิดเป็นพรหมชั้นต่างพระพุทธเจ้าอยู่แห่งพระสารีบุตรอยู่แห่งพอพระสารีบุตรมาเฝ้าก็กราบทูลให้ฟังพระพุทธเจ้าเล่าที่พระองค์รู้ด้วยพระญาณพระสารีบุตรนั้นนั่งอยู่ที่นั้นนี่คือเราจะเห็นว่าวาทะพระอรหันต์ท่านไม่ได้เคยขัดแย้ง แล้วปัจจุบันเนี่ยเราเอาวาทะของใครก็คนหนึ่งไอ้ ก, กิกก๊อกเหลือเกินนะเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาหักล้างพระพุทธเจ้าไม่กลัวขี้เรื้อนขึ้นหัวนี่ก็มาเวรกรรมจริงๆเลยทำไมเราจะต่อไปยกย่องคนเหล่านั้นเมื่อเขาไม่วาทะขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าเราพุทธังสนังกฉามินี่นะเราไม่ได้คนนั้นสนังกฉามิพุทธังสนังกฉามิก็พุทธังสนังกฐามิต่อไปพระเจ้าสอนอย่างไงแสดงไว้อย่างไงต้องว่าอย่างนั้นแล้วต้องเชื่ออย่างนั้น แล้วประการต่อไปคือคือเรื่องที่สําคัญว่าต่อไปเนี่ยมาจะนําท่านเที่ยวในเปตาวัตถุคือเรื่องเปรตนะฮะเรื่องเปรตเสียสายนิดหน่อยแล้ววันหลังให้ชาวนำเที่ยวเรื่องวิมานเป็นการชดเชยเป็นการบำรุงขวัญกันหน่อยแล้วก็ปูพื้นฐานในด้านทางาังกฤษไว้ในตอนนี้นะฮะวันนี้ก็หมดเวลาขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน